3. อาบัตที่เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงพระชนอยู่ก็ดีปรินิพานแล้วก็ดีภิกษุก็ต้องมีอยู่ 1. อาบัตที่ภิกษุต้องในการไม่ต้องในในเวลหอาบัตที่ภิกษุต้องในการไม่ต้องในเวลาวิการมีอยู่ 2. อาบัตที่ภิกษุต้องในเวลาวิกาลไม่ต้องในการมีอยู่ 3. อาบัตที่ภิกษุต้องทั้งในการทั้งในเวลาวิกาลมีอยู่ 1. อาบัตที่ภิกษุต้องในกลางคืนไม่ต้องในกลางวันมีอยู่ 2. อาบัตที่ภิกษุต้องในกลางวันไม่ต้องในกลางคืนมีอยู่ 3. อาบัตที่ภิกษุต้องทั้งในกลางคืนทั้งในกลางวันมีอยู่ 1. อาบัตท to to ี่ภิกษุมีพรรษาสิบจึงต้องมีพรรษาหย่อนสิบไม่ต้องมีอยู่ 2. อาบัตที่ภิกษุมีพรรษาหย่อนสิบจึงต้องมีพรรษาสิบไม่ต้องมีอยู่ 3. อาบัตที่ภิกษุทั้งมีพรรษาสิบทั้งมีพรรษาหย่อนสิบก็ต้องมีอยู่ 1>, 1. อาบัตที่ภิกษุมีพรรษาหาจึงต้องมีพรรษาหย่อนหาไม่ต้องมีอยู่ 2. ออาบัตที่ภิกษุมีพรรษาหย่อนหจึงต้องมีพรรษาหไม่ต้องมีอยู่ 3. อาบัตที่ภิกษุทั้งมีพรรษาหาทั้งมีพรรษาหย่อนหาก็ต้องมีอยู่ 1. อาบัติที่ภิกษุมีจิตเป็นกุศลจึงต้องมีจิตเป็นอกุศลไม่ต้องมีอยู่ 2. อาบัติที่ภิกษุมีจิตเป็นอกุศลจึงต้องมีจิตเป็นกุศลไม่ต้องมีอยู่ 3. อาบัติที่ภิกษุมีจิตเป็นอัพยากฤิตจึงต้องมีอยู่ 1. อาบัติที่ภิกษุพร่างพร้อมด้วยสุขเวทนาจึงต้องมีอยู่ 2. อาบัติที่ภิกษุพร่างพร้อมด้วยทุกขเวทนาจึงต้องมีอยู่ 3. อาบัติที่ภิกษุพร่างพร้อมด้วยอทุกขมะสุขเวทนาจึงต้องมีอยู่ว่าด้วยวัตถุแห่งการโจดเป็นต้นวัตถุแห่งการโจดมี3มอย่างคือ 1. หเห็นสองได้ยิน 3. นึกสงสัยการจับสลากมีสามอย่างคือ 1. ปกปิด 2. เปิดเผย 3. กระซิบที่หูข้อห้ามมีสามอย่างคือ 1. ความมักมาก 2. ความไม่สันโดษ 3. ความไม่ขัดเกลาข้ออนุญาตมี3ามอย่างคือ 1. ความมักน้อย สความสันโดษ 3. ความขัดเกลาข้อห้ามแม้อื่นอีกมี3มอย่างคือ 1. ความมากักมากสความไม่สันโดษ 3. ความไม่รู้จักประมาณข้ออนุญาตมี3คือ 1. ความมักน้อย 2. ความสันโดษ 3. ความรู้จักประมาณบัญญัติมี3คือ 1. บัญญัติ 2. อนุบัญญัติ 3. อนุปปณนะบัญญัติบัญญัติแม้อื่นอีกมีสามอย่างคือ 1. สัพพัทบัญญัติ 2. ปรปเทสบัญญัติ 3. สาธารณบัญญัติบัญญัติมาาตตแม้อื่นอีกมีสามคือ 1. อสาธารณบัญญัติ 2. เอเกโตบัญญัติ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 อาบัตที่ภิกษุต้องในกาละปักไม่ต้องในชุนหาปักมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องในชุนหาปักไม่ต้องในกาละปักมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องทั้งในกาละปักทั้งในชุนหาปักมีอยู่การเข้าพรรษาย่อมสําเร็จในกาละปักไม่สําเร็จในชุนหาปักมีอยู่ ปวารณาในวันมหาปวารณาย่อมสำเร็จในชุนหปักไม่สำเร็จในการปักมีอยู่สังฆกิจที่เหลือย่อมสำเร็จทั้งในการปักทั้งในชุนหปักมีอยู่อาบัติที่ภิกษุต้องในฤดูหนาวไม่ต้องทั้งในฤดูร้อนทั้งในฤดูฝนมีอยู่อาบัติที่ภิกษุ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 สงและคณะไม่ต้องมีอยู่สังฆอุโบสถและสังฆบวรณาย่อมสำเร็จแก่สง์ไม่สำเร็จแก่คณะและบุคคลมีอยู่คณะอุโบสถและคณะบวรณาย่อมสำเร็จแก่คณะไม่สำเร็จ ok แกส่ ส, firms, แกสง์และบุคคลมีอยู่อธิษฐานอุโบสถและอธิษฐานบวรณา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 คือเรือนไฟ 2. เครื่องปกปิดคือน้ำา 3. เครื่องปกปิดคือผ้าสิ่งที่ปิดบังไม่เปิดเผยไปมีสามอย่างคือ 1. มาตุคามปิดบังไม่เปิดเผยไป 2. มนของพวกพรามปิดบังไม่เปิดเผยไป 3. มมิจฉาทิฏฐิปิดบังไม่เปิดเผยไป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 มีสามอย่างคือหนึ่งให้ถือในวันเข้าพรรษาต้น 2. ให้ถือในวันเข้าพรรษาหลัง 3. ให้ถือในช่วงพ้นจากระยะนั้นว่าด้วยอาพาธเป็นต้นอาบัตที่ภิกษุอาพาธจึงต้องไม่อาพาธไม่ต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุไม่อาพาธจึงต้องอาพาธไม่ต้องมีอยู่ อาบัติที่ภิกษุทั้งอาพาธทั้งไม่อาพาธก็ต้องมีอยู่ว่าด้วยงดปาติโมกเป็นต้นการงดปาติโมกที่ไม่ชอบรร ม, มี3การงดปาติโมกที่ชอบรร ม, มีสามปริวาสมีสามอย่างคือ 1. ปฏิชณะปริวาส 2. องัอปฏิชณะปริวาส สสุดทันตะปริวาสมานัสมีสามอย่างคือหนึ่งปฏิชนะมานัตสองอัปปติชนะมานัตสามปักขะมานัสรัติเฉดของภิกษุผู้อยู่ปริวาสมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งสหวาสคือการอยู่ร่วมกันสองวิปวาสการอยู่ปราด สอานาโรจนาการไม่บอกว่าด้วยต้องอาบัตภายในเป็นต้นอาบัตที่ภิกษุต้องภายในไม่ต้องภายนอกมีอย hmm. ู่อาบัตที่ภิกษุต้องภายนอกไม่ต้องภายในมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องทั้งภายในทั้งภายนอกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องภายในสีมา ไม่ต้องภายนอกสีมามีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องภายนอกสีมาไม่ต้องภายในสีมามีอยู่อาบัติที่ภิกษุต้องทั้งภายในสีมาทั้งภายนอกสีมามีอยู่ว่าด้วยต้องอาบัตด้วยอาการสามอย่างเป็นต้นภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการสามอย่างคือ 1. ต้องทางกาย 2. ต้องทางวาจา 3. ต้องทางกายกับวาจาภิกษุต้องอาบัตแม้อื่นอีกด้วยอาการสามอย่างคือ 1. ต้องในถ้ำกลางสงสองต้องในถ้ำกลางคณนะสามต้องในสำนักบุคคลภิกษุออกจากอาบัตด้วยอาการสาอย่างคือ 1. ออกด้วยกาย 2. อ, ออกด้วยวาจา 3. ออกด้วยกายกับวาจาภิกษุออกจากอาบัตแม้อื่นอีกด้วยอาการ3ามอย่างคือ 1. ออกในถ้ำกลางสง 2. ์ออกในถ้ำกลางคณะ 3. ออกในสำนักบุคคลให้อมูรหาวินัยที่ไม่ชอบรรมี3มให้อมูรหวินัยที่ชอบรรมี3าม ว่าด้วยข้อที่สงมุ่งหวังเป็นต้นสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุประกอบด้วยองค์สามคือ 1. ก่อความบาดหมางก่อความทะเละก่อความวิวาทก่อความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงค์ 2. โง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้ 3. อยู่คลุกคลีกับขรหัดด้วยการคลุกคลีกับขรหัดที่ไม่สมควรสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงนิยะสะกรรมแก่ภิกษุประกอบด้วยองค์สามคือ 1. กอความบาดหมางละกออธิกรณในสง 2. งโง่งเขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้ 3. อยู่คลุกคลีกับคฤือหัดด้วยการคลุกคลีกับคฤือหัดที่ไม่สมควรสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปรับภาชนิยกรรมแก่ภิกษุประกอบด้วยองค์สามคือ 1. ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อเฉาวก่ออธิกรณในสงสองโง่เขลาไม่ฉลาด มีอาบัตมากต้องอาบัตกําหนดไม่ได้ 3. ประทุษร้ายตระกูลประพฤติเลวสามความประพฤติเลวสามเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุประกอบด้วยองค์สามคือ 1. ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาท ก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ 2. โง่งเขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกําหนดไม่ได้ 3. ด่าบริพาทคฤรหัดสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ 1. ก่อความบาดหมางสองก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงสองโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้สามต้องอาบัตแล้วไม่ปราถนาจะเห็นว่าเป็นอาบัตสงเมื่อมุ่งหวัง พึงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบได้องค์สามคือ 1. ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ 2. งโง่งเขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้ 3. ต้องอาบัตแล้วไม่ปราถนาจะทำคืนอาบัตสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบได้องค์สามคือ 1. ก่อความบาดหมางและก่ออธิกรณในสงสง์งโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้ 3. ไม่ปราถนาจะสละทิฏฐิบาปสงเมื่อมุ่งหวังพึงตั้งใจมั่นลงอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ 1. ก่อความบาดหมางและก่ออธิกรณในสงส์ 2. โง่งเขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้ สามอยู่คลุกคลีกับครหัสด้วยการคลุกคลีกับครืหัสที่ไม่สมควรสงฆ์พึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ 1. เป็นนรัตชี 2. เป็นผู้โง่เขลาสามไม่เป็นปกตัดตะสงฆ์พึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามแม้อีกสามอย่างคือ 1.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 3. เป็นผู้ประกอบด้วยการเล่นขนองทางกายและทางวาจาสงผึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามแม้อื่นอีกคือ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยความประพฤติ ท, ที่ไม่สมควรทางกาย 2. เป็นผู้ประกอบด้วยความประพฤติ ท, ที่ไม่สมควรทางวาจา 3.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 ถูกสงหลงโทษ 2. ให้นิสัยแล้วให้อุปสมบท 3. ให้สามเณรอุปัฏฐากสงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบด้วยองศาแม้อื่นอีกคือ 1. ต้องอาบัติที่สงหลงโทษ 2. ต้องอาบัตอื่นเช่นนั้น 3. ต้องอาบัติที่เลวซามกว่านั้นสงพึงลงโทษภิกษุ ผู้ประกอบด้วยองค์สามแม้อื่นอีกคือ 1. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า 2. กล่าวติเตียนพระธรรม 3. กล่าวติเตียนพระสงฆ์ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ 1. เป็นอรชี 2. งโง่งเขลา 3. ามไม่เป็นปักตริตระ งดอุโบสถในถ้ำกลางสงสงพึงกล่าวห้ามว่าพอทีภิกษุอย่าก่อความบาดหมางอย่าก่อความทะเลาะอย่าก่อความแก่งแย่งอย่าก่อความวิวาดแล้วจึงทำอุโบสถภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ 1. เป็นอรัตชี 2. งโมฆะสา 3. ไม่เป็นปักตตะ งดปวารณาในท่ามกลางสงสงพึงกล่าวห้ามว่าพอทีภิกษุอย่าก่อความบาดหมางอย่าก่อความทะเลาะอย่าก่อความแก่งแย่งอย่าก่อความวิวาทแล้วพึงปวารณาสงไม่พึงให้สังฆสมมุติอะไรอะไรแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือหนึ่งเป็นอรชีสองโมเขา่า 3. ไม่เป็นปกตัิตะสงไม่พึงว่ากล่าวแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ 1. เป็นอรัตชี 2. โง่งเขลาสามไม่เป็นปกตัิตะสงไม่พึงแต่งตั้งภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามไว้ในตำแหน่งเฉพาะไรไรคือ 1. เป็นอลัตชี 2. โง่งเขลาสาม ไม่เป็นปกตัดตะภิกษุทั้งหลายไม่พึงอาศัยภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์งสามคือ 1. เป็นอลัตชี 2. โง่เขลา 3. ไม่เป็นปกตัดตะไม่พึงให้นิสัยแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์งสามคือ 1. เป็นอลัตชี 2. โง่เขลาสามไม่เป็นปกตัดตะ ไม่พึงให้โอกาสแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สที่ขอโอกาสคือ 1. เป็นอลัตชี 2. โง่เขลา 3. ามมิใช่เป็นปกตัตะไม่พึงเชื่อถือคำให้การของภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สาคือ 1. เป็นอลัตชี 2. โง่เขลาสามไม่เป็นปะกตตะ ไม่พึงถามวินัยภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ 1. เป็นอลัชชี 2. โง่เขลาาไม่เป็นปกตัตะัภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามไม่พึงถามวินัยคือ 1. เป็นอลัชชี 2. โง่เขลาาไม่เป็นปกตัตตะัไม่พึงวิสัชนาวินัยแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ 1. เป็นอรัตชี 2. งโง่เขลาสา 3. ไม่เป็นปกตัิตะภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามไม่พึงวิสัชนาวินัยคือ 1. เป็นอรัตชี 2. องโง่เขลาสา 3. ไม่เป็นปกตัิตะไม่พึงให้คําซักถามแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยอ ง, งยค์งสามคือ 1. เป็นอรัตชี 2. โง่งเขลาสามไม่เป็นปกตัิตะภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์3ไม่พึงสนทนาวินัยด้วยคือ 1. เป็นอลัตชี 2. โง่งเขลาสามไม่เป็นปกตัิตะภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์3ไม่พึงให้กุลบุตรอุปสมบทไม่พึงให้นิ ส, สัยไม่พึงใช้สา ม, มเณรอุปถากคือ 1. เป็นอลลัชี 2. โง่งเขลาสามไม่เป็นปกตัิตะว่าด้วยอุโบสถเป็นต้นอุโบสถมีสมอย่างคือ 1. อุโบสถในวัน14บสี่ค่ำส อ, อุโบสถในวัน15้าค่ำสามอุโบสถสามัคคีอุโบสถแม้อื่นอีกมีสมอย่างคือ 1. สังฆอุโบสถ 2. คณะอุโบสถ 3. บุคคลอุโบสถอุโบสถแม่อื่นอีกมีสามอย่างคือ 1. สัตตุเทศอุโบสถ 2. ปาริสุท ธ, ธิอุโบสถสามอธิฐานะอุโบสถปวารณามีสามอย่างคือ 1. นปวารณาในวัน14บสี่ค่ำ 2. องปวารณาในวันสิบห้าค่ำสาสามัคคีปวาปรณาปวารณาแม้อื่นอีกมีสามอย่างคือ 1. งสังฆปวารณา 2. คณะปะวารณา 3. บุคคลปวาปรณาปวารณาแม้อื่นอีกมีสามอย่างคือ 1. ปนปวารณาสามหน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 ด้วยอะพรมจันไม่มีมูล 3. บุคคลผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามไม่มีแล้วถึงความเป็นผู้หมกมุ่นในกามทั้งหลายอากุศลลมูลมีสามอย่างคือ 1. อากุศลลมูลคือโลภะ 2. อ, อากุศลลมูลคือโทสะส อกุศลมูลคือโมหะกุศลมูลมีสามอย่างคือ 1. กุศลมูลคืออโลภะ 2. กุศลมูลคืออโทสะสกุศลมูลคืออโมหะทุจริตมีสามอย่างคือ 1. กายทุจริต 2. วจีทุจริต 3. มโนทุจริต สุจริตมีสามอย่างคือ 1. กายสุจริต 2. องวจีสุจริต 3. มมโนสุจริตพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติติกะโภชนะในตระกูลโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สามประการคือ 1. เพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยาก 2. เพื่ออยู่ผาสุขแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม ด้วยประสงค์ว่าพวกมักมากอย่าอาศัยฝักฝ่ายทําลายสงสาเพื่อทรงอนุเคราะห์ตระกูลพระเทวทัตมีจิตถูกอาศตธรรมสามอย่างคือ 1. ความปรารถนาชั่ว 2. ความมีมิรชั่ว 3. การได้บรรลุคุณวิเศษขั้นต่ำแล้วเลิกเสียกลางคัน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 ฐานวางเท้าถ่ายอุจจาระสองฐานวางเท้าถ่ายปัสสาวะสามฐานวางเท้าชำระสิ่งของสำหรับถูเท้ามีสามอย่างคือ 1. ศิสลา 2. กรวด 3. ศิ ส, าสลาฟองน้ำติกะวาระจบ